ก็คือการฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอทุกขณะจิตนั่นเองคนที่จะมีความจำดีนั้นสมองจะต้องประณีตและความปราณีตอันนี้จะต้องมีมาตั้งแต่เกิดจึงจะสามารถฝึกความจำให้ดีได้ง่ายแต่ถ้าคนไหนพื้นเดิมสมองไม่ประณีตนักการฝึกในภายหลังก็อาจจะทำให้ดีขึ้นมาได้บ้างแต่จะให้ดีจริงๆนั้น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 ซึ่งเรื่องนี้ได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อน